มีความข้าใจผิดว่าไอ้เผลอไปไม่ดีกับดึงมาดึงมาเกิดความแน่นแน่แนแข็งแข็งอ อ, อาจารย์ท่านบอกว่าท่านแน่นแข็งเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เห็นเห็นความแข็งคืออาการที่เรียกว่าเป็นวิบากเป็นผลของการเพ่งก็ใช้ได้นี่เป็นวิบากแล้วก็ดูกายหายใจเทคนิคในการดูลมหายใจกับดูกายหายใจก็ไม่เหมือนกันถ้าดูลมหายใจก็จะเผลอเพ่งได้ง่าย ดูลมนะเพ่งที่อยู่จุดไดจุดหนึ่งนะนจะกลายเป็นเพง่งดูท้องก็เพง่งนะมันจะเพ่งไปจุดจุดหนึ่งแต่ถ้าเห็นองค์รวมของกายนี้กำลังกระเพื่อมกำลังหายใจอย่างนี้มันจะไม่มีจุดเพง่งเห็นกายมันจะเพ่งยากแล้วก็ผ่อนคลายง่ายกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อประโอ้นี่หลังๆเนี่ยเวลาแนะนำโยมเจริญอาณาปานสติเนี่ยนะท่านท่านจะลองให้ ให้โยมเนี่ยหัดดูแบบเพ่งก่อนให้อาทุกคนเพ่งลมหายใจที่ปลายจมูกลองทําเลยก็ได้นะลองทําสิ <S <S 1> <S 1> เพ่งลมหายใจที่ปลายจมูกทาด้วยอย่าให้เคลื่อนไปไหนเลยนะ <S <S เพ่งเอาไว้อย่าให้ เ, หลเผลอเ่าพอจาจาอาการของใจตอนนี้ไว้นะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตอนเนี้ยใจเราทำสิ่งที่เครียดเคียดเอาไว้นะใจยังมีความเครียดตกค้างนะ วิธีที่จะเริ่มใหม่ให้มันล้มกระดานวันนี้ท่านบอกว่าให้ยิ้มยิ้ ม, ห, มหวานๆยิ้มเหมือนมีหนุ่มมาบอกรักเหมือนเจ้าของฟิตเนสมีซิกแพคมาเอาดอกไม้มาแต่เราไม่มั่นใจใช่ไหมคนนั้นมันผู้ชายจริงหรือเปล่าใช่ไหมส่วนใหญ่ผุนดีๆนะมักจะไม่เหลือเลยยิ้ม ยิ้มก่อนนะยิ้มแบบสดใสเบิกบานยิ้มผ่อนคลายยิ้มก่อนยิ้มก่อน ย, ยิ้มก่อนเออ <c oughs> อย่าเพิ่งรีบทํายิ้มก่อนสบายๆพอสบายๆแล้วอ่ะตอนนี้มาดูร่างกายนี้หายใจไม่ต้องเพ่งจุดใดจดนถึงเห็นร่างกายนี้หายใจมีสติ ร, รู้รู้ตัวอยู่ทุกครั้งที่มันหายใจอยู่มันนี่คือกายนี่เห็นมันหายใจไปเห็นกายนี้หายใจไปสบายๆจะไม่เหมือนกับตอนเพ่ง สังเกตเห็นไหมตอนเพ่งเนี่ยมันจะต้องมีการแบบมีมีลงแรงลงอาการบีบคั้นมันเหมือนจะต้องเกรงเกรงใจจะต้องเกรงเกงหนักหนักแต่ถ้ารู้การนี้หายใจสบายๆ น, ยนะนะมันจะปลอดโปร่งมันจะเบาวกว่าอาการเบาวกว่าเนี่แหละเหมาะกว่าถ้าเพ่งไว้มันจะหนักหนักแน่นๆน่นเนียนะ ตรงนั้นเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่ดีที่จะไปเกิดปัญญาจิตที่ดีจะไปเกิดปัญญาเนี่ยคือจิตที่เบาๆสบายสบายคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลควรแก่การงานประมาณนี้ดังนั้นเวลาทํารูปแบบนะไปทําอย่างนี้คือหายใจสบายๆหายใจสบายๆแล้วมันจะเผลอไหมเผลอได้เพราะจิตมันเริ่มคล่องแล้วคล่องแล้วเนี่คือมันพร้อมที่จะทํางานจิตมีสภาพที่จะคิดนึกปรุงแต่งมันก็ทํางานของมันแล้วรอคอยรู้ตานรู้ตามรู้ตาม ไม่ต้องไปดักดูด้วยไม่ต้องไปห้ามมันด้วยให้มันไปแล้วคอยมีความรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นทุกครั้งที่รู้ทันคือได้แต้มหนึ่งสะสมแต้มตามนี้ไปเรื่อยๆนี่คือทำในรูปแบบแล้วเอาทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันเดินไปก็รู้ตัวเผลอก็ได้เผล อ, อนุญาตให้เผลเพราะว่าเราเป็นผุ้ตุชนย่อมเผลอและเผลเป็นเวลานานด้วย ไม่ต้องตั้งใจว่าจะต้องมีสติติดต่อเนื่องกันห้านาทียากแล้วก็ไม่ต้องตั้งใจเผลอห้านาทีมันเผลออยู่แล้วไม่ต้องตั้งใจ